พลังทิพย์พรรัตนสุวรรณจะทําเพื่อเป็นธรรมทานโดยเอกลักษณ์เลิศวรลักษณ์เผยแพร่ต่อได้ทุกช่องทางโดยไม่ต้องขออนุญาตแต่เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้นและห้ามตัดต่อแก้ไขก่อนได้รับอนุญาตขอทุกท่านที่ได้รับประโยชน์จากสิ่งหานเรื่องนี้โปรดร่วมส่งกระแสจิตน้อมระลึกถึงบุญกุศลที่เคยทําไวแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมเป็นพลังของทุกท่านร่วมกับมหาธรรมทานครั้งนี้ ส่งถึงกุลเอกลักษณ์เลือดวัวลักษณ์ผู้เป็นเจ้าภาพในการจัดทำเสียงงานเรื่องนี้ซึ่งแบบ น, นี้ได้จากโลกมนุษย์ไปสู่ภูมิเป็นทิพย์แล้วขอให้ได้ร่วมมนุโมทนาและปลื้มปิติในทุกบุญร่วมกันขอจงเป็นสุขครบพร้อมแห่งทิพยสมบัติอันประณีสูงสุดเปี่ยมด้วยจิตที่ตื่นรู้ผ่องใสยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้รุ่งเรืองแต่ในทางที่เป็นกุศลจเจริญในอริยามรรคอริยผลเข้าถึงสภาวะจิตแห่งพุทธะได้ในที่สุด เพื่อความค้นทุกข์ตลอดกาลนานด้วยเถิน